6. อธิกรณวาระวาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกร 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบอธิกรในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งหอาบถามอาบัตเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหนตอบ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 หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาอธิกรสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรอธิกรณวาระที่หกจบ